มันไม่เชื่อตัวแท้เนี่ยร่างกายทุกท่านธนะรรมะก็บอกวนะ่ามีปางอนัตตามีปางการ็รูรเพื่อร่างกายร่างกายที่มีอาการสามดิสสองผมผึงนีกับความรู้สึกนิเคศมีคนละตัวของความรู้สึกนิเคศไี่มาจาับใจอาการสามดิสสองผมผมยึดปา ง, ง, งนีง้มายอยากยืนนั่งเลยไป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 ชลัที่มีธรรมะมีสัมาธิฏิมีปัญญามีความรู้ว่ารูปังอนัตตาญญรูปังอนิจจังรูปังทุกขงังถ้าใส่ในอุปทานไปยึดไปติดว่าเป็ น, ปป น, ปปนตัวเราของเราก็จะเป็นทุกข์รูปัญญงอนิจจังคืเอเขาไม่เที่ยงมีการต่อเชื่นมสร้งอยู่แล้วดับไป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 ในหูก็ใส่หูฟังแล้วกนรับเสียงเข้าไปสู่ประสาทสู่วิญญาณซึ่เป็นส่วนของใจทีนึ้เมื่อเข้าไปสู่ใจแล้วก็มีสัญญามามาวิเคราะห์เสียงว่าเป็นในความหมายว่าอย่างไรถ้าในสัญญามีข้อมูลฟังอยู่ในใจก็จะรู้ว่าเสียงนี้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 แต่ถ้าเสียงเป็นเสียงเอกภาษานย่างที่ใจไม่มีสัญญาความจําเกี่ยวกับเสียงนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจเสียงนั้นได้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรเทียนเสียง น, น, นกเสียงกาตอนนี้เขาว่ายัางไงเราก็ไม่รู้แต่นอกกานี้นเขาเข้าใจเขาคุ ย, ยข เ, ขขเขาได้ศึกษาเข้ามาขเขารู้ว่ากําลังพูดเรื่องอะไรอยถึงแมอ้อาจจะไม่พูดแต่ หรือความหวานลึกวา้างเหมือนของเราก็ตามแต่เขาต้องต้องมีความหมานเสียงของเขาเนี่ยเขาเขาถึงเสีงกันได้เข า, าถามว่าวันนี้ไปเที่ยวไหนมานที่ไหนมีอาหารเขาคุยนแต่เราไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจนี่เป็นส่วนของร่างกายกับใจที่มีมความ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 เป็นเพียงดินน้ําำมืนไปแล้วมันเดี๋ยวมันก็ต้องแยกกันกลับไปสู่ดินน้ําำมืนไปไม่มีใครที่จะมายักยั้งได้ร่างการของพระปุทเจ้าก็เป็นอย่างนี้มาแล้วร่างกายของพระนางประสามลกทั้งหลายทั้งแม่เด็กและในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ให้เราเห็นกันอางชัดเจแล้วอันนี้เป็นเพียงร่ากายเป็นเพียงภาตุสี่ดินน้ําหมันไป ไม่มีธาบรู้อยู่ในร่างกายนี้ถ้ารู้ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หลวตาหลวงปู่หลวงพอนี่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แตกดับไปกับร่างกายเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีสิวที่จะสามารถติดต่อกับเราได้แล้วเท่า น, นันอกจากว่าเรามีสิว อ, อยู่อยนอกจากร่างกาย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 ท่านก็ยังติดต่อนะมีพระอาหารมีพระพุทธเจ้ามาสแสดงธรรมตัวหน่ ง, งมั่นที่ปรากฏอยู่ในประวัติของท่านเป็นที่ถกเถียงของระหว่างของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติว่าเป็นการ เ, เป็นการเพอร์หรือเปล่าตอนในตั้งใจไปดกนั้นท่านสแสดงว่าเมื่อไม่พ่านแล้วก็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 ถ้าหลงไปกับสังขารความคิดถ้าเขาคิดโลภคิดโกรธคิดหมือนว่าหลงตามก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเึ่งเวลาโกรธใครนี้ก็ร่วมร้อนจิตใจแตถ้าไม่หลงตามไม่โกรธตามความโกรธนี่มันก็อยู่มันก็หายไปความรุ่มร้อนต่างๆ ม, มันก็หายไปที่ให้อภัยเขาได้นี้ไม่ถึงโทษเกดเกลื่อนเขา ความโกรธนั้นก็หายไปความโลภก็เที่ยงเดยวบางอย่างจะได้พอตัดทิ้งพอเป็นจะไม่เอาดีกว่าเพราะนั้นมันก็เจบอันนี้ใจเป็นผู้ที่สามารถสั่งการได้ถ้ารู้นี่เป็นผู้สั่งการยาขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือความเห็นว่าความคิดแบบนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ส่วนใหญ่ใจนี้มันถูก อภิชาโมหะครอบงำอยู่อวิชาปติยาสังขารมันก็เลยหลงตารสังขารความคิดปุ่งต่างที่ไปในทางไม่ดีความคิดปุงตางที่คิดไปในทางโลภโกร๋อยเวลาโลภนั่นแทนที่จะมีสติรู้ทานว่านี่กาลังพาไปสู่นรกพาไปสู่การทุกข์มันกลัไม่รู้มันกับวิ่งตามเอาเลยอยากจะได้อะไรเอาเลย ได้มาอย่างไรไม่สําคาญต้องฆ่าต้องทำอะไรก็เอาให้ได้เนี่ยมันก็มันก็ไปติดกับของของวิบากกรรมนเมื่ออยากได้อะไรมากๆก็ไม่สนใจว่าจะทำบาปหรือทำไม่บาปขอให้ได้มาก็แล้วกันพอไปทาบาปข้าวทีนี้วิบากมันก็ส่งคนให้นะความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นแล้ว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 น้สุกเดียวเียสุกแบบเดียวขมเครื่องน้ำตายหรือพอความสุขลาลายไปความทุกก็ตามมาเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันไปโรยไปยึดไปติดนมันไม่เที่ยงมีกิด ม, ม, ม, มีดับมีเจรินมีเสียงนั้นเองลาดยสารสนเทสุขนี่สัตว์โลกไม่ว่าไทายแลตามจะเป็นปุถุชนเล่ห์พาอาหารก็สัมผัสด้วยกันทุกคนแต่สัมผัสแบบไหน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 แต่ใจนี้ไม่ได้มีความยินดีกับการที่ได้มาเมื่อเวลามันเสื่อมไปมันจากไปมันก็ไม่มีความเสียอกเสียใจแต่พุทธชฌานี้ไม่ได้เวลาได้ขั้นเลืนขั้นเลืนตำแหน่งได้อะไรมามีดีออกดีใจเมื่อวานี้มีผู้จัดการทางการเงินเพิ่มได้รถใหม่ออกมาดีออกดีใจขนาดอะไรพลาสติกอะไรที่ติดอยู่บนบาะยังไม่ยามฉีดทิ้ง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 ร่างกายนี้ก็ใช้ไปเรื่อยมันก็ต้องเจ็บไายได้บ่อยถ้ารักษาได้ก็รักษาไแปบบถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องวองให้สับเปลี่ยนไปมันก็เท่านั้นคนที่ใช้เขาก็ไปต่อไปแบบเอาวิชาหรือไปแบบไปแบบแบบปัญญาไปแบบสมา ธ, ธิก็ขึ้นอยู่กับใจเดียวนั้นว่ามีอะไรพาไป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 อางตัวเเป็นสุนัข ก, ก็ไม่มีปัญญาที่จะใช้สมบัตินั้นเพื่อกลายเป็นสมบัติของลูกปั้ในดีในพุทธประวติถ้าเราเศษษึกษาเราจะเห็นเลยนะว่าทําอย่าง น, นี้น่าจะเป็นอย่างไรเห็นการชัดๆอยู่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ความรู้ด้วยความหลงนั่นเองในติดของเราถ้ามีความรู้แล้วก็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 เรื่องสัมมาทิฏฐิมันก็มาดลงอยู่ที่ในตายรักนี้ละอา น, นิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าใครเห็นอา น, นิจจังทุกขงังอนัตตาทุกขละกจิตแล้วก็จะ <c oughs> ก็จะ อ, อ, อยู่ในความทุกข์ยากแต่กะระดาษใที่เผลอ <c oughs> ที่ไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตา <c oughs> ก็จะต้องถูกอำนาจของอวิชชาโมหะนี้ฉุดลากให้เข้าไปแ บ, บกกองทุกโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> คือความจริงอริยสัจทีทุกสรงทยรายไมรู้แบบนี้ยก็อยู่ตรงนี้ถ้าปัญญาใช้คิดด้วยปัญญาคิดด้วยธรรมะก็เป็นมรรคถ้ามรรคทางานไมโรกมันก็เกิดตามมาถ้ามรรไม่ทํางานไม่รก้ก็หายไม่ทํางานไม่ไม่เป็นผลคือความทุบแทนที่ระดับมันก็จะผลดึ้นมาเพราะเวลาที่มรรคไม่ทํางาน ปัญหาเรื่องจะทำงานแทนนี่สมุทยก็จะทำงานแทนก็จะอยากให้หายอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ขึ้นก็จะเกิดความกังวลกังวยก็สัุดกระซายเกิดความกังวลต่างๆขึ้นมาเป็นห่วงเป็นไรแทนผู้อื่นตอนนั้นที่ผู้อื่นเขาไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกับเราเขาสบายเขาก็ เขาก็ดูมันไปตามความจริงของเขามันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้นถ้าปฏิบัติไปเรี่ยๆแล้วมันก็จะเข้าสู่อุเบกขากับทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างงานก็ไม่ได้หมนะายความเฉยเมยในบางเรื่องบางสิ่งนี้ถ้ายังอยู่ในวิสัยที่เรายัาง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 แต่เวลาทำนี่อุเบขาเจ้าเจ้พวกอุเบกขาหี่ลอยแล้วปวดหัวมีหน้าที่อะไรก็ต้องทำไปจะยังทำได้ก็ทำไปมีหน้าที่ทำธรรมะกินเลี้ยงปักเลี้ยงท้องอัาใีอิจตโนนาเถอะอยู่นรับผิดภอบชีวิตของตนเ้ง เรื่องของผู้คลที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วยก็ดูแลไปทําไปทำแล้วจะได้มากจะได้น้อนก็ก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นความสามารถของเราเราทําได้เี่านี้มีความสามารถเท่านี้ก็ทําได้เท่านี้แต่ใจก็เฉยเฉยไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจกับผลงานที่เกิดขึ้น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 เมื่อตายแล้วมันไม่ทุกข์อยู่มันทุกข์กันเลาตไปทุกข์กับทุกเรื่อ ง, อ ง, ง, งใช่พอตายแล้วทุกต่างๆงนี้ก็จบไงหายไปหมดเลยแล้วมันก็ต้องตายอย่างดีเนี่นะข้าไม่ตอนจบเลยข้าไม่ตอนจบเลยพูะเจ้าให้สนข้าม น, นึมน่งให้เราเห็นความการลมหายใจข้าออก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 ท่านยอมหยุดแล้วท่านเย็นเพราะถ้าไปทำเทวทาาัตใจท่านก็นจะา้อนขึ้นมาไปทำมันเ็นีิบากขึ้นมาในฆ่าของนี้ปัญญาต้องพยายามเจริญสัมมาทิฏฐิเรื่ยรอยๆพิจารณาใจรักเรื่อยๆในรับในในรูปเวทนาปัญญาการยินยาน ในลกเสียงกลิ่นนาในราบยอดทะเลยสนสุขเนีย่ยถ้าเห็นเหล่านี้เป็นตายลัวมันก็จะอยู่อย่างมีความสุขแต่แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้บิเกนนิ่งแฮปปี้อินนิโดแฮยนแฮปปี้ตลอดบาลมังสุ ข, ขังตลอดเนี่ยปาลามังสุ ข, ขังนี้ไม่ได้เกิดตอนที่ตายนะมันเกิดตั้งแต่เตอนที่เราปล่อยนะถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่มันก็บลามงสุขขังเมื่อนั้น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 ทำไปแล้วในทีสุดความอยากจะซื้อสุราบินมมันก็หายไปทุกครั้งที่โกรธก็เอาเองินที่เรามีอยู่นี่มาให้คนที่เราโกรธแทนอยากห้ร <c oughs> ถ้าอยากจะหให้โกรธเนี่ยก็ลองทำ่างนี้เลยไปซิมเกลือไเลยดัล้ได้โกรธเขาไง มันงวิ่งวิ่งปล่อยวิ่งสุขวิ่งเยอบยิ่งทุกใช่ไหมค ะ, ะได้คำตอแล้วใช่ ม, มัาต้องงานเลผู้ชายเกินแทบต า, ายเพื่อเข้าใจเข้าใจหนาแ ล, <c oughs> แล้วพอปล่อยแล้วพวอวพวมันมันยังไงมันก็ต้องดูถแถมือเราไปในที่สุดเลย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 ท่านทำใหการออกบวชของท่านที่มันไม่ยากเลยอายุยี่สิบเก้าปีท่านก็ไปแล้วคนที่เคยทำบรงเสียชละมาอยู่รยปล่อยเื่อยนีออกบวดได้ง่ายยบู่ขางใช่ไ่ก็ออกได้ท่านชะละภรรยาให้ผูดกันทำไมยากทาไมท่านทาได้เพราะท่านมีปัญญาท่านก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าโสะดีทำไม มีภรรยาแล้วต้อมากังวลมันจะไปนอนกับใครคือใช่ไหมมีความสุขที่ไหนช่ว mm hmm. ตัดไปนีกว่าตัดไปแล้วก็จบอยู่คนเดียวไม่ต้องมากังวล ก, กับใครถ้ากังวลกับเรื่องของเราว่าทำยังไงให้มันเป็นอุนเปเลขาให้มันปล่อยวางให้มันยอมหยุดเย็นเทราะนั่นเองพอมันยอมหยุดเย็นได้แลนะ้วมันก็สบาย เนีเราใช้สูตรนี้ก็แล้วกั น, นเวลาเกิดปัญหาแล้วาถามเรายอมหรือเปล่าเราหยุดหรือเปล่าตอนนี้เราเรียน็นหรือเราร้อนถามตัวเราเองเนึ่งถ้าเราร้อนเราไม่ยอมใครพูดไม่ดีเ ร, เราต้องไปไปหาเรื่องบเขาไปเรียกร้องค่าเสียหายให้ต้องมาขอคำลาลาโพษต้องมาอะไรต่างๆแต่เขาไม่ยอมก็จะต้องหาวิธี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 อันนี้เท่นดีนะเจ็บสงบนะไม่ใช่พูดถึงเรื่องอุเบกขาว่าทั้ขาล่างกายเราถ้ามันเจ็บมันป่วยอย่างงี้เราก็ดูแลมาตางอัตภาพเหมือนใช่ไหมก็เหมือนเสียงดังมันก็รับรูเสียงดังบางคนเสียงดังก็จะมีปฏิกิริยาไม่ชอบลำคาบบาทีก็จะต้องไปหาวิ ยุติเสียงนั้นเพราะใจนี่เป็นอุเบกขาถ้าใจเป็นแุเบกขารว่ามีเสียงดังก็ดังไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้เราไปเป็นไม่ชอบกันเองอถ้าเราชอบมันก็ไม่มีปัญหาคนที่เขาเปิดเสียงเงดังแล้วเขาชอบคก็มีคนที่ฟังเพลงที่เราไม่ชอบก็มีทำไมเขาฟังได้ทำไมเราฟังไม่ได้เราฟังไม่ได้เพราะใจเราไม่เป็นอุเบกขาที่เขาฟังได้เพราะใจเขาชอบถ้าเราอยากจะ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 มันก็เสียใจมันก็ทุกอถ้าไม่ชอบทีไปเจอมันเข้ามันก็ทุกข์แต่ถ้าอยู่เบคดานนี้มันได้ทั้งสองอย่า ง, งถ้าพูดทางเพศก็เป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายนะ้ <c oughs> ชอบทั้งหญิงชอบทั้งชายเ <c oughs> ถ้าไปชอบอย่างเดียวถ้าต้องไปเจออย่างมันก็ไม่ชอบ <c oughs> ถ้าคนบางคนก็ถึงชอบทั้งหญิงทั้งชายเนีไง <c oughs> <c oughs>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 ดีว่าได้ยินเสียงแปลกๆว่างคิดถึงต่อไปเวลามันไม่มีแล้วเราจะเสียใจจะเสียใจไม่ต้องเสกไฟตัวเองไม่อยากเล้านอาจารย์ไม่เชื่อว่าแคนที่เขาอยู่ทำไมทาไมเก็อยู่ได้คนที่เขาทากำลังทำงานอยู่ร้อนลงมาไหมไม่คนที่เขาทำเนี่ยเขาไม่เหลือนอนหรอกคนทำแบบนี้ใช่ไหม ก็ไม่เดือดร้อนทำไมเราไปเดือดรออนแล้วก็ทำใจเราให้เหมันเข้าสิถ้าเราทำใจเหมือนเข้าได้เราก็จะไม่เดือดร้อยเหมือนค่แต่อย่างนี้แปลว่าเราทำอะไรก็เหมือนเหมือนก็ดูดาดูดีอ่ะว่าปล่อยให้ต่างๆอย่างนั้ไหมระวังความเฉยเมยนึกากับความเฉยเมยกับข้อเบขาเนี่ยมันมันเส้นเส้นเส้นาบก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 อย่างความจยู่มันต้องเกิดเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตนถึงจะเป็นความจริงไม่ใช่จะดีไ้แต่ปฏิบาตกไมใช่ดมีต่แงก็ต้องศึกษาพิสูจน์ก่อนเพื่อที่จะได้เอาพิสูนนี้ในทางในการปฏิบัต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 เขาว่าไก็ต้องว่าคนอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้เลยราข้ามาบังอไอะไรเงี้ยมีตัวไปงเลยเขามาซื้ออะไรมาปิดหูเเป็นมีสามเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องอภิกรต่างๆเรื่องความอย่างน้ำตาลถึงเรื่องของความเอารัาปรียบของบุคคลบางบางกลุ่มบางคนอันนี้เราต้็งมีสามเป็นที่พึ้นได้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 เวขาต่างกันวีขึ้นเวล้ไม่เห็นเจ็บีไม้เห้นนะมั้เพิ่มมาปีละปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปปีปีปีปีปีีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีีปปี ถ้พดีขึ้นทัพีเกิดเจ็ดเดือนโดยถ้าเดือนก็ก็ปกติถ้าดีขึ้นก็ก็ไม่ขาดทุน ก, ก็ได้ำดนนไกำไรถ้าเป็นทัพเียร์นม้อแกงก็เท่าเดิมหไม่ดีขึ้นถ้าเป็นนลี้ยกับเลี้ยงกับวถดของอาหารนั้นก็มันก็จะลองดีขึ้น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 จะเป็นมือเบรคค้าได้ก็ต้องฝอยก็ต้องยอมต้มนแล้วมันก็จะเย็ยนถ้าดูตรงนี้กันว่าคว<อ>ามยอมหยุดเย็นของเรานี้มีมากขึ้นหรือมีน้อยลงไปถ้าเรายอมมากขึ้นหยุดมากขึ้ น, ย น, นเย็ น, เม น, เนมากขึ้นก็แสดงว่าเราก้าวได้แสดงว่าเรากำลังเจริญมากเกิ่มักตั้งองเจริญให้มากเพรายอมหยุดเย็นนี่ก็คือให้รอดนี่เองใะ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 แต่ถ้าจะเสียใจบ้างชื่อระยะชื่อขณะแล้วเดี๋ยวก็ตั้งหลักใหม่ได้นี่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยปฏิปัญญากลับมากู้กู้กู้จิตของตรเองได <Yeah. S 1> ้บางทีบางครั้งมันก็ยังเผยได้ว็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันี่ยพระน่นทก็ยังไม่ได้เป็นพระนะท่านาาก็เป็นเพียงพระสุนดาวัน ท่านก็ยังเถอะท่านก็ยังไม่ได้พิจารณาเรีนยตนต่อนี้เพราะท่านจะคิดแบบทางโลกก็คิดแบบทางกิเลสเข้ามันก็เกิดความเสียใจขึ้นมาง่ายทีแต่ถ้าท่านคอยคิดอยู่แบบว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอะไรนะ่ยพระเจ้าก็นั่งดูร่างกายของท่านอยู่เนี่ยเราดูล่างกายของท่านอยู่พระเจ้านั่งยิง้มดูร่างกายเรามานั่งร้องไห้อยู่ร่างกาย ท, าท่านทำไมถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะยิ้มได้เราก็จะไม่ร้องไห้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 มีความสุขมีความทุกข์อยู่กับเหตุการณ์ที่มาสัมผัสนับรู้ยคือการเี็นโสดามานี้เป็นเนการเพียงแต่เป็นการยอมรับความจริงของของอนิจจังของร่างกายว่ามันจะต้องตายไปแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เศร้าโศกท่า น, ท, านท่านจะไม่มีความรู้สึกทุกข์ในทางจิตใจแต่ท่านจะไม่ทุกแบบปุทุชนที่ทุกข์กันร้องห่มร้องไห้โวยวายหรือ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 รูปดุริยนาสัญญาสังขารยญาของตนแล้วก็เข้ามาระดับนี้แล้วเข้ามาในจิตมีพาาระอรหันต์นั้นที่ท่านท่านสามารถที่กมจัดความความความยึดติดในทั้งสามส่วนนี้ได้เพราส่วนดาวมันนี้ท่านสละท่านไม่ยึดติดกับทางรูปรูปประคันคือร่างกายได้แต่ท่านยังมีความยึดติด ก, กับความรู้สึก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 ทําไม่รู้ว่าต้องไม่มีคนคอยชี้บอกก็ต้องคอยหาเหาเองลองผิดลองถูกดูตัวนี้นสมนั้นก็ต้องรู้เพราะว่าผู้ที่อยู่ในอยู่ในกระแสแล้วตั้งแต่ท้าโสงดามันขึ้นไปเนี้ยจะมีอาจารย์ก็ได้นม่มีก็ได้ยังไงยังไก็ต้องถึงพ้นผ่านยแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วถ้ามีอาจารย์นีาา้ก็จะเร็วเพท่าน จ, จ, จะบอกบอก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 เชื่อคำพูดของแม่เจ้าเถอะเนี่ยพวเรามีสิทธิ์เนี่ยภายในเจ็ดปีทุกค น, น <c oughs> ต้องปฏิบัติตามที่สอน้ว้นะตั้งแต่เป็นขึ้นมาจนหลับเนี่ยให้เจริญสติอยู่ทุกขณะเลย <c oughs> ถ้าจะทำได้ก็ต้องออกบวชต้องทดูจับสามีตัดภรรยาตัดทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองต่าง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 ชาวปมงทั้งหลายเนี่ยเขาเข้เขาเขาเขาไปสั่งให้เขามาเกิดอย่างนี้ได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้พอเขามาเกิดอยู่นี้แล้วคนก็ทํานี้เขาก็ทําตามไม่มีใครบอกว่าเป็นบาปเป็นกรรมเขาก็ทําตามกันไปพอทําไปแล้วจะไปอ้างว่ารู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นข้อข้อข้อย่างทํากรรมไปแล้วเราก็ต้องได้รับใช้กรรมต่อถึงไม่จะลงมาจากสวรรค์ขั้นข่ม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 คนสุดท้ายของชีวิตเลยไม่ดีกว่าเนื้อทุกข์กับทุกข์สุดทุกข์กกับสภาพที่เป็นอยู่อย่างนี้ผัดใจทุกบ้างทุกบ้างแล้วก็ ม, มีวันสิ้นสุดที่จะเป็นอย่างนี้ไปได้ยังคือยอมยอมเข้าห้องผ่าตาดแล้วให้หมอเข้าผ่านเราแพ้ออกไปดี่ใดา่าเราเรี้ยงออกไปแล้วาหายขาดในโลก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 อยากจะอยู่เลยมีความอิจฉาละอาใจเือนายท้อแท้หมดกำลังใจนี่เป็นของยากของเกลยดเนั้ม่รอะไรอ่ <c oughs> ถ้าตั้งใจปฏ <c oughs> ิบัติเนี่ยวันวันนึก็เป็้นมาอยู่คนเดียวเดินรงขอหน้าสมาีิควบคุมจิตแม่ไปคิดอะังถ้าจะคิดข้างนึงคิดแต่เรื่องนี้จทุกข์กับวัฏฏะ แค่นี้บางทนไม่นานหรอกทำไม่ได้แค่นี้ไม่ะเป็ปแบกของหนักของอะไรเลยอย่างมากก็ทำงานหน้าที่อยู่ในรังปัดกวาดถ้าไปอยู่วัดก็ทำหน้าที่ปัดกวาดทำความสะอาดกุฏิสระละก็ทําทไปก็ปฏิบัติได้เพราะว่าปฏิบัตินี้เขาไม่คุยกัน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 ใช่อนี้ก็ไม่มีสติถ้าปฏิบัตินี้<ม>เวลาเราไปที่วัดเห็นท่านทำํำงานแล้วเราที่ว่าท่านอาจจะโกรธกันนะเพราไม่คุยเลยเนะี่ยบางคนก็ต่างทํำลงไปสังเกตดูนะในว่าปฏิบัตินี้ถ้าจะทําอะไร น, นี้ท่านจะไม่คุยเลยซึ่งก็เป็นของแสงเพระโดยธรรมดาของครารว่านี้เวลาทําอะไรก็ต้องคุยเรื่องไปด้วย เวลาพระท่านสัน่งง่ายไม่คุยกันเวลาไปดูญาติโยมฉันรับประทานโ อ, อ้คุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเวลาความแตกต่างระหว่างความมีสติกับการไม่มีสติยกตัวอย่างให้ดู๋ยว <c oughs> ถ้าไคยยังไม่ได้สม่อทางสี่อเก็ มเอาได้ที <laughs> yeah, mm ่หลังนื้อเป็นรูเลี้ยงอยู่บ้างเอ้ขลายก่อกเ่นี้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 มันก็จะเริ่มปวดใหม่งั้นถูกไหมจ๊ะครับก็ถูกอะแต่สิ่งที่เราต้องการจะเห็นนอกจากการการเกิดของเวทนาเห็นตัวจิตตัวรูเ้เห็นเห็นเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงวัต ถ, ถุเร้ยัต้องเห็นอริยสัจอยู่ใ น, ในขณะนั้นด้วยคือต้องเห็นว่าขณะใดเวลาใดที่เรามีความทุกข์ขึ้นมานี่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 ในโลกคือความทุกข์มันจะลดไปแล้วใจก็จะสามารถมักรู้กับความเจ็บปวดต่างๆของของของวิถีาของร่างกายได้อย่างอย่างไม่สะทกสะทานไม่ไม่ไมดือดร้อนคุณแต่ถ้าเรายังงั่งแล้วเรายัางมีอารมณ์รู้สึกดีใจเสียใจเวลามันเกิดขึ้นเรายัางกระสับ ก, กระสานกระวนกระวายแล้วเวลามันดับไปเราก็มีความดีออกดีใจ สแสดงว่าใจเรายาังยังไม่ได้ปล่อยวางเลยแตถ้าเราปล่อยวางมันนะมันมันจะมาแล้วมันจะไปเราก็จะเท่าเดิมเราต้องเห็นอริยสัจคือเห็นทุกขสมุทัยที่ร้อนมาถึงจะเรียกว่าเห็นนี้เห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมอาจารย์คะแล้วอย่างครั้งที่หนึ่งที่นั่งเราจะรู้สึกว่าเราเรามีโทสะเพราะว่าเราอยากให้มันหาย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 ไปทดสอบดูทดสอบเดูอ น, ดอเดอนอย่างพระป่าที่ก็ไปอยู่ในป่าน mm ้อยน้อยปูองลุกท่านเดินเดินทุ่งตงตอนกลคืนพอท่านไปเจอเสียข้าวจิตของท่านก็รวมลงเข้าสู่สมาธิปล่อยวางร่างกายเราจะทำงนันได้หรือเปล่าถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามีสติคงจะอยู่พอเจออะไร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 แต่ จ, จะไม่ยิ่งหนีไปไม่พาร่างกายยิ่งหนีไปไหนก็ลปล่อยให้มันไปไปตามเรื่องของมันอันนั้นถึงจะเป็นการปล่อยวางทางปฏิบัติเข้าใจไหมอันนี้ก็พยายามจริลยภาพที่เราเห็นในั่นนี้ไปเรื่อยๆเวลาเราออกมาจากมิดๆน้ำเราก็ยังสามารถนิดกถึงมันได้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 ไปยาวไปทำอะไรก็ให้เข้าไปก็อยากจะฆ่าก็ให้เพ่อไปฆ่าหมอเวลาที่เราเจริญอานาสติเนี่ยมันลบที่เข้าเนี่ยข้างในมันจะเป็นภาพนิดๆก็ถูกปั่นภาพเพราะจริงมันควรจะรู้แต่ลมอย่างเดียวไนมะ่ควรที่จะไปรับรูปภาพต่างๆ <อ isch. S 2> ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ในขณะที่เรา ท, าทําสมาธิ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 พอออกมาจากห้องนั้นก็มีความสดเีืยงมีกําลังว่องแฉที่จะไปทํางานต่อไปในสมาธิมันมีสองห้องห้องหนึ่งที่เรียกว่านงีงสงบเป็นอุเบกขาเนี่ยและห้องหนึ่งที่เราเรียกว่ามีนิมิตต่างๆห้องที่เป็นนิมิตมีทางใช้ปฏิบัติเราเรียกว่าอุปจารสมาธิห้องที่ไม่มีนิมิตมีแต่เตียงใหเรานอนหลับสบายนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิ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 ถ้าเราวันนี้ต้องเป็นไปอย่างที่พูดเนี้ยถ้าพิจารณาอยู่มากๆจนกระทั่งมีแต่ทํำนุวนๆอย่างอาจายว่าต้องตายต้องตายแน่ๆในงาก็เห็นแล้วต้องทําตายเมื่อถึงเวลานั้นมันก็ถามตัวเองว่าทีนีกลัวตายหรือเปล่าจะรู้ว่ากลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปดูต้องไปพิสูจน์ดูต้องขึ้นเปถี๋กับบางไม่ดีนะบางไม่ดี มีางเลือกหนาเลืทนายเเท่กันกความเจ็บด้วยป่ะก็ต้องพิจารณาแล้วก็นั่งช่วยมันให้มันเกิดขึ้นแล้ให้มันหายไปแต่เองล้วต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บนะเจ็บก็เจ็บไปนันก็แค่เจ็บเท่านั้นแต่ความทุกขามาจากที่มันรุนรงกว่าวามเจ็บนี่มันหายไปแล้วขยะเพราตัวนี้หายไปแล้วไม่มีัหาจะเจ็บขนาดหนก็ไม่มีปัญหาเลยกรเปลี่ยนที่ท่านอยากความเจ็บหายไปนี่มันหายไปจริงๆหรือว่าเราทาใจได้กับการเจ็บ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 ข้นองพระสุนตดาวันพระสกิดาการีก็เห็นข้นของพระสกิดาก า, า, า, ารีพระอนัญการีพระอนันก็จะเห็ น, นอายะศัพท์รี่ของแต่ละขั้นไปหัวใจของพระพุทธศานก็อยู่ที่พระอยายศัพท์ ส, สีเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมขั้นลราก็ทงรงแสดงเรื่องของพระอยายะศัพท์สี่พอแสดงก็เรื่องอย า, สส า, า, าอยะศัพท์สีขึ้นมาพระอญยางโกเชยะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ต้องเห็นนนะอาิัยสัตว์สิ่งหัวใจเราว่าพุทธศาสนาทุกคาสอนทุก บ, บทกกทุกบาตรก็มาจากพระอาิัยศัตว์สิีงพระเจ้าทงตรสว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนี้ถึงแม้จะมีมากมายก่ายกอแต่ก็เป็นเหมือนน้าในม า, มาน้าในมหาสมอถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดัหน